จำใจโกงเต็มใจโกงกรรมต่างกันผลต่างกันใช้มือหยิบฉวยเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ให้เรียกว่าผิดศีลข้อสองใช้ปากลวงให้เขาเข้าใจผิดผิดฉวยประโยชน์เข้าตัวเรียกว่าผิดศีลข้อสี่การโกงส่วนใหญ่วนเวียนอยู่กับน้ำหนักการผิดศีล ถ้าไม่ข้อสองก็ข้อสีน่นี้คือไม่โกงด้วยมือดือด้อก็โกงด้วยหน้าตาด้านๆผลของการโกงทรัพย์ได้แก่ความพินาศแห่งทรัพย์ในที่ที่การผลิผลความพินาศแห่งทรัพย์อาจเกิดจากการโดนโกงก็ได้หรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้หรือเกิดจากภัยธรรมชาติก็ได้ไม่ใช่ว่าโกงใครไว ก็ต้องโดนคนนั้นโกงกลับเพื่อจะโกงใครจิตต้องรู้สึกถึงสิทธิครองทรัพย์ของเขาแต่จะดึงดันเอามาเป็นของเราซึ่งจิตปกติดัางเดิมของมนุษย์จะไม่อยากทำเช่นนั้นเลยเพราะมีกำแพงไร้าตัวตนแต่รู้สึกได้ที่ชื่อว่ามโนธรรมขวางกั้นไว้มโนธรรมทาให้รู้สึกว่ามันผิด ันร้ายแต่เมื่อฝ่าฝืนทำลายกำแพงมโนธรรมได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อๆมาจะทำลายได้ง่ายขึ้นกระทั่งในที่สุดเหมือนไม่เหลือมโนธรรมเป็นกำแพงขวางกัน้นความชั่วใดๆอีกเลยเมื่อยางจำใจโกงอาจกระสักระสายอาจนอนไม่หลับอาจนึกภาพคนถูกโกงตอนเขารู้ตัวแล้วเสียใจ แต่เมื่อไม่รู้สึกอะไรแล้วเต็มใจโกงแล้วหรือกระทั่งอยากโกงจนน้ำลายไหลแล้วก็อาจถึงขั้นสนุกกับการค้นหาวิธีหลอกลวงแปลกใหม่รู้ทั้งรู้ว่าคนโดนหลอกต้องเจ็บใจแต่ก็ยังย่มใจว่ามันโง่สงควรต้องเป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างตนและจะมีความสุขมากถ้าโกงสำเร็จ แรงขับของความชั่วร้ายต้องมากใจต้องกล้าหน้าต้องด้านต่างจากธรรมดาถึงทำได้ชนิดหนังตาไม่ขยิบอย่างนั้นกรรมต่างกันผลต่างกันเมื่อขโมยมากๆขโมยจนชินชาโกงจนเชี่ยวชาญโกงจนใจกล้าหน้าด้านย่อมมีจิตวิ ญ, ญญาณที่มืดดำ ร้อนร้ายเหมาะกับการถูกแผดเผาในนรกหรือเหมาะกับความเน่าเหม็นของเดรัจฉานหรือเหมาะกับความลุ่มลุ่มดอนดอนแห่งเปรตแต่ถ้ายังอยู่ในขั้นขโมยแล้วอยากคืนของโกงและอยากกลับใจอันนี้จิตสำนึกแบบมนุษย์ยังคงอยู่จึงยังกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกแต่ก็ต้องได้รับโทษสถานเบา คือเป็นผู้มีทรัพย์ทินาดในที่ที่การผลผลนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสีลสูตรว่าด้วยโทษของผู้มีศีลวิบัต